บัตรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนายาแห่งปัญหาของท่านนันทะมานวกะที่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงหลักการปฏิบัติซึ่งมีการนิยมปฏิบัติกันแพร่หลายในยุคนั้นนั่นก็คือการสดับตับฟัง ศีลวัดและมงคลทั้งหลายว่าสามารถทำสัตว์ผู้ปฏิบัติเช่นนั้นให้ข้ามพ้นจากชาติชรามรณะไปได้หรือไม่เป็นคำถามมุ่งจุดสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานวันเมื่อพระพุทธธรรหรัดจับตอบก็ต้องตอบว่าไม่สามารถบรรลุได้โดยข้อปฏิบัติเพียงเท่านั้น แต่นในชั้นของการปฏิบัติธรรมะที่ลดหลั่นกันขึ้นกันลงไปเปรียบลักษณะเหมือนบันไดที่จะช่วยให้บุคคลก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหรือเปรียบเหมือนยานภานะที่จะนำพาบุคคลไปสู่จุดหมายปลายทางอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนพานะเหล่านั้นโดยลาดับดังนั้นพานะแต่ละช่วง ที่บุคคลขึ้นไปอาศัยก็เปเตุเป็นปันจจัยที่จะส่งต่อบุคคลให้ถึงจุดหมายของตนดังนั้นโดยปริยายหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงสดแสดงหลักการปฏิบัติให้เขาจะว่าแพรหรือภานะที่บุคคลอาศัยค้ามากในชั้นต้นนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยแพรหรือภานะเหล่านั้นเพื่อขึ้นถึงฝั่ง แต่เมื่อถึงฝั่งแล้วไม่ว่าภาชนะจะประณีตอย่างไรก็ตามบุคคลก็ต้องทิ้งภาณนะเหล่านั้นถ้าว่าไม่ทิ้งก็ไม่อาจที่จะขึ้นสู่ฝั่งได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วยอมเกื้อกูลต่อจุดสูงสุดในทางศาสนาเพราะข้อปฏิบัติแต่ละอย่างจะมีลักษณะขัดกล่าวจิตใจของบุคคลให้กิเลส เดือจางเบาบางลงไปโดยลาดับนั่นข้อปฏิบัติในชั้นศีลก็ดีในชั้นของวัดก็ดีแต่ในชั้นของมงคลต่างๆก็ดีคําถามที่ท่านนันทมานกกราบทูลถามนั้นเป็นการกราบทูล ถ, ถามถึงศีลวัดและมงคลที่เชื่อถือกันอยู่ในสมัยนั้นระศีลวัดที่ถือปฏิบัติกันแพร่หลายโดยทั่วๆไป มักจะมีลักษณะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเช่นว่าบางเป็นทุกขกรรมยาตรมานตนเองให้ได้รับความลําบากและเป็นการเบียดเบียนตนเองบางทีก็ประกอบพิธกรรมด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแม้สิ่งที่เชื่อถือกันว่าเป็นมงคลในสมัยนั้นก็มีลักษณะเช่นนั้นมักจะอาศัยปัจจัยภายนอก ที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบแล้วกํำหนดหมายกันว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนี้ไม่เป็นมงคลแม้แต่ว่าอะไรเป็นมงคลก็จะมีความแตกแยกกันอยู่ในความเห็นเห่านั้นก็ปฏิบัติในลักษณะนี้จึงไม่ตรงเป้าของพระพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นดปฏิบัติกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม อกุศลธรรมที่จงกันข้ากับกุศลเหล่านั้นจะต้องเจือจางเบาปางลงไปได้ตราบใดที่การปฏิบัติไม่มีผลเะนั้นตราบนั้นไม่ชื่อว่าได้รับผลที่แท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาแั่ข้อปฏิบัติในชั้นศีลที่แปลว่าปกติกายปกติวาจาเป็นการสอนให้บุคคลฝึกปรือควบคุมการแสดงออกของตน ย่าให้มีผลกระทบคือสร้างความเดือดร้อนในแก่ตนเองและสร้างความเดือดร้อนใ้แก่บุคคลอื่นเรียกว่ามีอาการกายวาจาที่ปกติอาการวาจาปกติกายวาจาใจก็จะเย็นอาการเหล่านั้นก็ให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ข้อปฏิบัติในชั้นศีลทางพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายโดยทรงจึงมุ่งขจัดบันทอนลดความรุนแรงของกิเลสสายโลภะเป็นหลักทังในชั้นองการศึกษาผู้ p u r ู้ศึกษาธรรมะจะพบว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงเอาไว้เรียงลำดับเอาไว้เป็นการเรียงอย่างมีระบบกฎเกณฑ์ไม่จะนึกจะเรียงกรีนเอาท่านเรียงกิเลสว่าโลภโกรธหลง เรียงข้อปฏิบัติขจัดกิเลสว่าศีลสมาธิปัญญาควายกิเลสก็มีสควายธรรมะเครื่องขจัดกิเลสก็มีสาเพราะกิเลสสายโลภะจึงมุ่งขจัดด้วยข้อปฏิบัติในชั้นศีลพฤติกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตของคนจะแล่นไปโดยอำนาจของโลภะมากกว่ากิเลสสายอื่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลก อย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาทุกขขันตร์สุดประการที่บุคคลต้องประกอบกิจการงานด้วยความเหนื่อยยากลําบากต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับคนที่เป็นศัตรูของตนเพื่อสแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาแต่เมื่อสแสวงหาได้มาแล้วแทนที่จะได้ความสุขความสงบใจก็จะมีความวิตกมีความกังวลใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเหล่านั้น แต่มีการป้องกันมีการรักษาเพื่อไม่ให้โจรเป็นต้นมาทําอันตรายแก่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตักคนยื้อย่างไปก็ต้องต่อสู้เสี่ยงไปรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้แต่เมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเสื่อมสลายไปสูญหายไปใจของบุคคลก็ถูกความโศกเข้าครอบงำต้องให้ครั่งกลัวไปด้วยอาการต่างๆ ลักษณะเหล่านี้เกยความรุนแรงขึ้นไปจนถึงเป็นสงครามระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนระหว่างประเทศต่อประเทศและเป็นสงครามระดับโลกก็ตามสร้างความพิบัติดรดร้อนให้เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าตัวกระตุ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมาจากความโลภเป็นประการสำคัญแต่นั้นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทั้งมวลมักจะมีความโลภเป็นฐานใหญ่ เราจ้าก็ทรงแสดงศีลได้บัญญัติศีลเอาไว้เพื่อวบกลุมพฤติกรรมที่เป็นปกติคือเป็นไปโดยมากของบุคคลให้ลดความรุนแรงลงสามารถควบคุมได้โดยข้อปฏิบัติในชั้นศีลเห็นได้นนว่าศีลข้อปรณาติบาต ท, ที่ทำกันมากก็ทำด้วยความโลภอธินาทานกามิสุมิจฉ า, าจารเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ทาด้วยความโลภอย่างชัดแจ้ง มุสาวด์คือการโกหกหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นเรื่องกระทำไปด้วยความโลภคือมุ่งผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากการหลอกลวงเหล่านั้นการดื่มสุรเมรรายสิ่งเสพติดต่างๆแสดงถึงความโลภและความหลงที่เด่นชัดออกไปด้งนข้อปฏิบัติในชั้นศีลตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้จึงเป็นการบัญญัติเพื่อมุ่งลดความโลภที่สิงใจคนครอบําใจคน บังคับใจคนให้สายไปแต่เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องถึงกันของกิเลสทั้งหลายเมื่อกิเลสสายโลภลดลงไปโทสะเองก็ต้องลดโมหะเองก็ต้องลดตามไปด้วยเพราะศีลจึงเป็นภาคพื้นเป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีเบื้องสูงขึ้นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าศีลที่บุคคล รักษาให้สมบูรณ์แล้วย่อมสร้างสมาธิคือความสงบใจให้บังเกิดขึ้นดังนั้นข้อปฏิบัติประเภทที่เรีย ก, กว่าวัดเป็นการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปในสมัยพุทธกาลการปฏิบัตินอกพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นไปในด้านการทรมานตัวเองโดยพื้นฐานความเชื่อที่เข้าใจว่า จิตใจของบุคคลเหล่านั้นควรจะมีอิสระแต่ที่จิตไม่อิสระเพราะถูกขังไว้ในร่างกายถ้าต้องการให้จิตอิสระก็ต้องทําลายร่างกายให้ได้รับความลําบากเพื่อจิตจะได้หลุดพ้นจากกรงขังคือร่างกายด้วยความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้ทําให้บุคคลในสมัยนั้นปฏิบัติหนักไปในทางตรมารร่างกายให้ได้รับความเดือดร้อนด้วยวิธีการต่างๆ หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมุ่งสนองตอบความต้องการของตนมุ่งแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผดพละมาเสนอสนองความต้องการของตนมาบำรุงบำรุงบำรุงบำรเรตต์ตดเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกรมคุณทั้งห้าประการนั้นและการปฏิบัติเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธตั้งแต่ตอนต้นแห่งประตมเทศนาแล้ว โดยทรงชี้ใหเห็นว่าการปฏิบัติในลักษณะที่ย่อจอดปล่อยกายปล่อยใจของตนให้มัวมองหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะะที่ใจตนกําหนดว่าหน้าใครนับปรารถนาหน้าพอใจนั้นเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าฮีนะคือต่ําภาษาธารรมะทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีเท้าไม่มีเท้าเท้ามากเท้าน้อยก็ตัดจะมีพฤติกรรมในลักษณะนั้น เลยเป็นเหตุให้ก่อเกิดเป็นครอบครัวจําเป็นจะต้องเกาะกลุมคุมกันอยู่เป็นครอบครัวเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาถ้ากิเลสไม่หนากิเลสจางไปใจจะหนาจะคลายจากเรื่องหลอดนี้ไม่ใช่เป็นของที่มีประโยชน์เพราะเป็นเหมือนความฝันเป็นเหมือนของยืมเป็นเหมือนชิ้นเนื้อหน้าไฟเป็นเหมือนพยับแดดเป็นต้น ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอะไรและวัดในกรณีที่เป็นการปฏิบัติทรมานตนจนเกินไปพระเจา้าก็ทรงแสดงเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐเช่นเดียวกันแต่เป็นการแสดงว่าวัดบางอย่างคือการปฏบิบัติบางอย่าง พระพุทธเจ้าก็ส่งปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นสรงทดลองประพฤติปฏิบัติแล้วด้วยพระองค์เองเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติเช่นนั้นเพราะจิตใจของบุคคล น, นั้นถ้าปล่อยให้ไหลไปตามกระแสะของอารมณ์จะมีลักษณะเหมือนไฟได้เชื้อคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าจุดจะไม่เกิดขึ้นท้าในที่สุดจะวิ่งไล่ความจาก เพื่อตอบสนองความต้องการของตนซึ่งไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอินเวลาของชีวิตจะต้องสูญสิ้นไปเพราะต้องใช้นี่ทางใจที่บังเกิดขึ้นในแง่ของนิวรณ์จิตก็แล่นไปสู่กระแสของกลาลม่ชันในแง่ของอังกุศลมูลจิตก็แล่นไปสู่โลภะในแง่ของตัณหาจิตก็เข้าไปสู่กระแสของตัณหาซึ่งจะไหลาบาด ท, ท่วมทับจิตใจของบุคคล ในที่สุดจะทำให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองพอพ อ, พอมาถึงวัดปฏิบัติในระดับที่ทรมานตัวเองเกินไปร่างกายกับจิตใจนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่สมาธิก็ดีศีลก็ดีปัญญาก็ดีแตแม้แต่มรรคผนิพพานก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีกายมีใจปกติ แต่ถ้าร่างกายถูกเปลียนเบียนถูกทรมานให้กระสรับกระส่ายเกินไปใจเองก็ถูกกระทบกระเทือนจะมีความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นในขณะนั้นก็ตกเข้าสู่นิวรณ์ประเภทที่เรียกว่าอุทธะกุกุจะแต่ถ้าหากว่าใจกระสรับกระส่ายแม่ร่างกายจะสบายสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ ั้นการปฏิบัติจึงเน้นไปทั้งทางกายและทาง จ, จิตใจพระพุทธเจ้าเองก่อนจะบำเพ็ญเพียรเพื่อจัดสรุปภายใต้ต้นพระสีมาโปก็ทรงปรับทั้งส่วนพระวรากายซึ่งผ่านการบำเพ็ญทุกริยาอดอาหารมานานและปรับในบ้านด้านพระไทยของพระองค์ให้อยู่ในจุดที่สนับสนุนซึ่งกันเลนกันหลังจากนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียร และในชั้นของวัดปฏิบัติพิสบัญญาสดงเอาไว้ก็จะเน้นไปที่การควบคุมวิริยะคือความเพียรให้ประสานสัมผั์กับสมาธิพระตาหากว่าความเพียรมากเกินไปใจก็จะฟุง้งแม้คนที่มีอุอปนิสัยบารมีแก่กล้ามากจะบรรลุอรหรันตเป็นพระหันได้เจนประสูณะโกริวิสาใช้ความเพียรมากเกินไป กายกระสับกระสายเจ็บปวดทรมานใจก็ต้องรับรู้เพราะงั้นทั้งกายทั้งใจจึงกระสับกระสายท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสั่งสอนอุปมาเทียบเคียงกระสายพินในท่านได้คิดว่าในการศึกษาการปฏิบัติมันเหมือนกับการดีดพินถ้าย้อนไปก็ดีดไม่ดังสายตึงไปก็ดีดขาดสายต้องพอดีพอดีจึงดีดได้ฟังเป็นเสียงเพลงไพเราะ ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าความเพียรกรหยอนมากไปใจก็จะตกเข้าสู่ความเครื่มหลับในะการเครื่มหลับเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แม้คนที่มีวาสนาบารมีสูงส่งเช่นพระโมคะลานธีระเป็นอาคาสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนั้นปรากฏว่าไปนั่งบาเพ็ญเพียรอยู่มีความเพียรหย่อนไปแทนที่จะได้สมาธิ ก็เคริบเครื่เข้าหาความหลับถูกความโงกง่วงครอบำํำพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปโปรดชี้แจงแต่ว่าวัดปฏิบัติอันใดก็ตามที่บุคคลปฏิบัติไปแล้วจะมีลักษณะขัดเกลากิเลสใ้จางลงไปอย่างยกตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่สาธุรชนได้ยินได้ฟังกันทั่วไปคือทุต ด, ดงวัฏ คำว่าทูตะแปลว่านักเลงคือนักสู้หรือองค์ของนักสู้เป็นการปฏิบัติที่มุ่งขัดเกลีโดยหลักทั่วๆไปก็มุ่งที่จะคุมกิเลสสายโลภะเหมือนกันเพราะเป็นข้อปฏิบัติกึง่งศีลกึ่งสมาธิไม่จะเป็นสมาธิโดยตรงหรือว่าเป็นศีลโดยตรงแต่ว่าเป็นตัวกึ่งกลางบางระดับก็เป็นศีลบางระดับก็เป็นสมาธิ การได้บัตรในลนักษณะเหล่านี้ที่จริงก็เป็นวัดประการหนึ่งเจนว่าถือนุงห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดหมายความมานุ่งห่มผ้าสามผืนเท่านั้นเองอากาศอาเจนหนาวเวลาหนาวก็ต้องใช้ขันติความอดทนเอาในช่วงนี้ก็เป็นธรรมะและพยายามส ง, งบใจจากความอยากที่จะบรรเทาความหนาวโดยใช้ร่างกายใช้กําลังกายใช้กํกาลังใจต่อสู้กับความหนาวที่มาเสียดแทง บางครั้งมีปัญหาในด้านที่จะต้องซักผ้ารับผ่อนเป็นต้นก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยําพังตัวเองอาจจะไปเห็นผ้าที่เขาบริจาคเขาถวายสวยงามใจอาจจะโลภจากได้ทั้งความโลภที่บังเกิดขึ้นนั้นจะถูกคุมไว้ด้วยวัดข้อนี้ถ้าก็เกิดไปรับผ้าเ ข, าข้าก็เรียกว่าวัตเพศ คือการปฏิบัตินั้นแตกถือว่าทุดงนั้นเสียไปนี่ก็คืออะไรคือต้องการคุมความโลภมาอยากได้ผ้าผืนที่สี่เราจะประณีตสวยงามอย่างไรเห็นคนอื่นนุ่งห่มสวยงามอย่างไรก็คุมใจเอาไว้หรือว่าฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดอสนะเดียวเป็นวัดเป็นวัดหมายความว่าเป็นปกติตลอดชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะฉันอาหารเพียงมื้อเดียว บางครั้งอาจจะได้อาหารน้อยก็ฉันไปเฉพาะเต้าที่น้อยแต่่าถูกความหิวเสียแทนก็ต้องอาศัยขันติความอดทนความข่มใจความหับห้ามใจเอาไม่รู้อำนาจแก่ความโลคที่บางเกิดขึ้นภายในใจในาั้นนี้ก็ต้องต่อสู้กับเรื่องกองกิเลสความหมายความกังกิเลสนั้นยังมีอยู่ไม่ได้สงบไปหรอกแต่ว่าใช้วัดข้อนี้เป็นตัวคุมเอาไว้ ก็มีอยู่ไม่น้อยที่รู้อำนาจแกิกีนเนตแล้วในที่สุดก็เป็นห่วงเป็นใยท้องของตนก็ทำลายวัดข้อนั้นคือไปฉันอาหารมือที่สองข้าวมันก็กลายเป็นการเสียบัดหรือบางครั้งบางคราวก็มีอาหารที่ปรนีตจึงตนพระเพนข้าวเกิดความอยากที่จะฉันก็ต้องต่อสู้กับความอยากที่ัะเกิดขึ้นให้ได้ใครแพ้ใครชนะก็ค่อยว่า ก, กันไป แต่นั้นคือวิธีปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสออกไปจากใจของตนขัดเกลาได้หรือไม่ได้บางครั้งก็กได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ว่าจุดมุ่งจริงๆจะมีลักษณะขัดเกลากิเลสรดยข้ อ, อ, อปฏิบัติบางอย่างเช่นว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดนี่ก็ถือเป็นวัดปฏิบัติอย่างนึง ซึ่งบุคคลจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเสียสละจะไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขที่ตนจะได้รับทางเนื้อหนังแต่มุ่งความสงบใจที่บังเกิดขึ้นจากการ ป, รปฏิบัติเช่นนั้น้ากว่าบุคคลลองตั้งสมมติตนเองขึ้นไปต้องนั่งอยู่ในที่แจ้งตามที่อธิษฐานใจไว้อธิษฐานไม่ได้หน่อยเดียวแดดออกจ้าไปหมดเลย จะไปในที่ใดก็ไม่ได้เราเข้าในที่ร่มไม่ได้วัดแตกก็ต้องอยู่กลางแจ้งอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าท่านต้องใช้ความอดทนต่อสู้กับความร้อนที่เสียดแทงเรือจะนั่งไปฝนตกน้าค้างตกก็ต้องต่อสู้อดทนในเรื่องเหล่านั้นให้ได้ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นการทรมานร่างกายแต่แท้จริงยังมีเงื่อนไขในการปฏิบัติว่าตอนไหนปฏิบัติได้ตอนไหนปฏิบัติไม่ได้ มันจะไปทำให้ร่างกายทุพลภาพแต่เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในพิสัยซึ่งบุคคลที่มีใจเข้มแข็งพอสมควรสามารถประพฤติปฏิบัติได้และวัดเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นอันมากซึ่งบางอย่างก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงใช้คำว่านิบานเสวสันติเกตคือข้อปฏิบัติที่กลนน้นิพพานจได้แสดงอาคันตุ ก, กวัด คือวัตที่บุคคลจะพึงปฏิบัติต่อคนที่จอมาพักภาอาศัยเป็นข้อหนึ่งในคารวะธรรมหกประการที่สรงจบลงด้วยคำว่าข้อปฏิบัติใกล้ภายในวัดการที่บุคคลจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อแขกผู้มาเยือนจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตาม อ, อย่างในกรณีของคนมาขอพักพภายในวัดนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าพระเหล่านั้นเราก็ไม่รู้จัก บางทีอาจจะถูกปรับพร้อมก็ได้แต่ว่าโดยน้ำใจของเจ้าถิน่นพูยวิจา์ทรงกำหนดเอาไว้ในชั้นของวินัยหรือในชั้นของศีลให้แสดงความเอื้อเฟื้อต้อนรับบุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่สถานะให้ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในวัดของท่านในบ้านของท่านแน่นำอกาการแสดงออกในลักษณะนี้เป็นการสะท้อนมาจากใจของบุคคลเหล่านั้น ที่มีเมตตามีไมตรีมีความเคารพต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างน้อยถ้าไม่อย่างนั้นการปฏิบัติเหล่านั้นก็เดินหน้าไปไม่ได้นั้นวัดปฏิบัติในทางาศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีผลในการขาจัด ก, กิเลสออกไปจากใจของบุคคลส่วนจะขาจัดได้มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกิเลสหมดไปนั้นเป็นเรื่องของผล วัดเป็นเหตุที่ขจัด ก, กิเลสแต่วัดที่ปฏิบัติลงไปมีกำลังน้อยก็ขจัด ก, กิเลสได้น้อยแต่เมื่อมีลักษณะขจัด ก, กิเลสได้ก็ถือว่ามีผลในชั้นของการประพฤติปฏิบัติระดับหนึ่งอาจจะเป็นยานพาณะที่ส่งบุคคลไปช่วงหนึ่งระดับหนึ่งและพร้อมที่จะให้บุคคลผลัดเปลี่ยนยานพานะพิ่ขึ้นในช่วงอื่นต่อไปและจะถึงโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้ามาในกรณีของมงคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ความเชื่อถือของบุคคลในสมัยนั้นจะเน้นไปจากทางภาษาสัมผัสของตนคือจะวินิจฉัยมงคลตามภาษาสัมผัสของตนนั้นประการหนึ่งและตามสิ่งที่มีอยู่โดยสภาพของมันประการหนึ่งเห็นคนไทยไปถือหญ้าแพรกดอกมะเขือเป็นต้นว่าเป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้มักจะเน้นไปในส่วนที่เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นมงคลก็ได้อาจจะไม่เป็นมงคลก็ได้ พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธโดยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่รับรองยืนจันด้วยประการทั้งปวงคือถ้าจะให้เป็นมงคลก็ต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่จะพูดว่าสิ่งที่เห็นเป็นมงคลก็ต้องดูเห็นอะไรเห็นแล้วใจสงบขึ้นไหมใจสว่างขึ้นไหมกิเลสที่มีอยู่เจือจางเบาบางลงไปได้ไปถ้ามีอยู่ก็ถือว่าการเห็นนั้นเป็นมงคล เห็นต้นพระสีมาโพเห็นเจดีย์เห็นพระพุทธปฏิมาเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติสํารวมระวังเป็นที่ตั้งแห่งสต้าภาษาเมื่อพบเห็นแล้วจิตใจก็สบายมีปีติปราโมดบังเกิดขึ้นการใลนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลได้แต่การเห็นบางอย่างอาจจะไม่เป็นมงคลอะไรเพราะจิตใจฟ่อขอเขียบมีความกับแค่หนึดอัดขัดเครื่องมันเกิดขึ้น แต่ทนที่จะละกิเลสก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งที่เห็นนั้นก็ไม่เป็นมงคลและแม้สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสิ่งที่ได้ยินบางอย่างนั้นถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลด้วยกันได้ยินใน้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เช่นได้ยินใน้ฟังข่าวเรื่องของพระตัณไตรไดความสิ่งที่เป็นธรรมะอันเป็นพระพุทธวจนะของพระองค์เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าข่าวที่เป็นมงคล ราคาบางอย่างก็เป็นอภิมงคลเรื่องที่ทราบก็ะทำนองนั้นแต่นั้นเพื่อให้เกิดผลตามหลักของพระพุทธศาสนาคือสิ่งเหล่านั้นขจัดกิเลสได้คำว่าสิ่งเหล่านั้นขจัดกิเลสได้เป็นเรื่องที่จะต้องมองทุกจุดของการปฏิบัติพระกุศลธรรมนั้นจะต้องขจัดอกุศแลธรรมที่ตรงกันข้ามกับตนได้ถ้าขาจัดไม่ได้ไม่ว่าจะสอนโดยใครแสดงที่ไหนก็ตามก็ไม่ชื่อว่าเป็นหลักในพระพุทธศาสนา พรักในพุทธศาสนาเรีว่าเป็นเป็นสัญเลขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นญานิกธรรมเป็นสิ่งที่จะดึงคนออกไปจากกองกิเลสและกองทุกข์ได้แล้นั้นในมงคลทั้ง38ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ละข้อ น, นั้นจะมีส่วนอย่างสำคัญในการขาจัดกิเลสอย่างที่หนุนเนื่องกันการไม่คบคุณพานก็เป็นการตัดรอนกิเลสไว้สายหนึ่ง ไม่ได้เพิ่มไม่ให้เพิ่มความเลวร้ายขึ้นไปในชีวิตจิตใจของบุคคลนั้นการกระหาบัณฑิตจะเป็นการเพิ่มความดีขึ้นซึ่งหมายความว่าความชั่วก็ต้องลดลงเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสูตรที่รู้จักเจ้าทรงสอนบางครั้งจะสอนในแนวเพิ่มความดีไม่พูดถึงการลักความชั่วเพราะอะไรเพราะเมื่อความดีบังเกิดขึ้นความชั่วก็ต้องจางไปเช่นความไม่โลภบังเกิดขึ้นภายในใจมากแสดงว่าความโลภก็ต้องจางไป ความเมตตาบาังเกิดขึ้นภายในใจมากความมาฆาตพยาบาทก็ต้องจางไปความมูติตาปล่อยชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าได้ดีของบุคคลอื่นเกิดขึ้นมากแสดงว่าริษยาก็จางไปนี่เป็นกฎของธรรมะซึ่งก็เป็นกฎแบบธรรมชาติทั้งหลายทำนองเดียวก็ไฟสว่างความมืดก็จางไปฉะนั้นดังสิ่งเหล่านี้จึงมีส่วนในการขาจัดกิเลส เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินที่จะนำบุคคลให้ใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปโดยลำดับตามสมควรแก่ฐานานั้นๆเพียงแต่ไม่ใช่สำเร็จโดยลำพังเท่านั้นหากแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลได้เพิ่มพูนความดีให้บังเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของตนต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจ ทำความสงบสืบต่อไป